คนใกล้ตายอ่ะให้ผลนำเกิดชาติหน้าอย่างนี้นาการให้ผลในลักษณะแบบนี้เรียกว่านานัคขะนิกกรรมนั้นกรรมบางอย่างให้ผลในชาตินี้กรรมบางอย่างให้ผลในชาติหน้ากรรมบางอย่างให้ผลในชาติที่สามจวบจนนิพพานอย่างนี้เรียกว่า ak ak นานัคขะนิกกรรมะปัจจัยการให้ผลแบบนี้นะ <S <S อยู่ในปัจจัยในกลุ่มข้อที่ ที่เจ็ดนะก็กลุ่มของปัจจัยที่จะกคูวิญญาณนี้ก็เป็นปัจฉาชาต่ปัใจจัยให้ร่างกายเราไม่ตายเพราะฉะนั้นปัจฉาชาต่ปัจจัยก็คือปัจจัยที่ทำให้รูปที่เกิดจากสมุทฐานทั้งสีนี้มีอายุอยู่จนถึงสิบเจ็ดขณะจิบ คือร่างกายของเราเนี่ยนะพูดแบบรวมๆแล้วอยู่ด้วยสมุทฐานสี่ใช่ไหมเกิดด้วยสมุทฐานสี่เมื่อเกิดด้วยสมุทฐานสี่อย่างนี้เนี่ยธรรมชาติของรูปมีอายุสิบเจ็ดขณะจิตนั้นจิตรูปนั้นเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยในสมุทฐานทั้งสี่เนี่ยอะไรเกิดตอนอะไรเกิดหลังเนี่ยเราก็ไม่แยกแล้วนะคือพูดแบบรวมๆอะ่ะนั้นจิตที่เกิดขึ้นหลังๆเนี่ย มันช่วยให้รูปนั้นเนี่ยมีอายุอยู่ต่อไปอีกสิบเจ็ดขณะจิตคือให้มีอายุจนมีอายุจนถึงครบแล้วยางหนึ่งจิตดวงนี้เนี่ยมันทําให้ให้เกิดรูปอยู่ได้เหมือนกับเช่นท่านเล่าว่าสัตว์บางอย่างนี้พอคลอดออกมานี่ไม่เคยกินอาหารจนโตเลยนะอยู่ด้วยความหวังเช่นอ่าเครเรียกว่านกแรง้งแร้งนี้ไม่เคยเอาอาหารมาป้อนลูกเลยในช่วงเล็กๆนะ บอกว่าเป็นสัตว์ที่หวังว่าเอ๊เดี๋ยวแม่จะเอาอาหารมาให้พอแม่กลับมาก็อดอีกพราอ้าปากอยู่อย่างนั้นแต่ก็โตได้ร่างกายเจริญเติบโตได้แค่หวังอยู่เฉยๆอยู่อย่างนี้แหล ะ, ะมีสัตว์อยู่บางตัวอยู่ด้วยความหวังแบบนี้ทั้นความหวังอันนั้นเนี่ยเป็นปัใจัยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ตายแต่ถ้าสิ้นหวังก็อาจไม่แน่นะบางคนนี่ไม่ตายสักทีหนึ่งก็เพราะห่วงลูกันะ เราจะต้องเจอหน้าลูกก่อนให้ได้ถ้าไม่เจอพอเจอหน้าลูกตายเลยเอออย่างนี้ก็มีพร้ะลักษณะที่ยังความหวังเหล่านั้นเนี่ยเป็นปัจจัยไม่ให้ตายอยู่ตาไปนี้เรียกว่าปัจฉาชากตบปัจจัยออจริงโดยอารมณ์นั่นน่ะสมมติว่านี้เป็นวัตถุใช่ไหม จริงๆแล้ววัตถุเนี่ยเกิดมีสมุธฐานทั้งหมดก็คือทั้งสี่สมุธฐานที่เกิดก็ทั้งกรรมจิตอุตุอาหารกรรมมัชรูปเป็นที่อาศัยเกิดของจิตนะนะถ้าจะเขียนวัตถุให้เต็มต้องเขียนลนนักษณะนี้มีทั้งกรรมจิตอุตุและอาหารกรรมมัชรูปส่วนที่เป็นปสาทรูปกับหทยะ รวบเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยให้เกิดจิตขึ้นอาเป็นที่อาศัยเกิดของจิตอนะนะเมื่อวานนี้จิตจิตนี้เป็นโลภะจิตเป็นรากโลภะเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถือว่าเป็นรากหมดในฐานะเป็นรากของเจตสิกเหล่านี้ทั้งจิตเจตสิก โลผ้าอันนี้มีอารมณ์อารมณ์เนี่ยที่นี้หมายถึงรูปารมณ์เป็นต้นโดยหกชื่อว่าอาหารสมมติว่านี่เป็นโครงตัวนกตัวลูกนกซึ่งมีสมุทฐานสี่นะแต่ไม่มีนกตัวไหนมีรูปแบบนี้หรอกนะอันนี้ก็นกกระลาดเลยนะเก็บตัวดูได้เลย ทีนี้จิตที่เกิดขึ้นอาศัยรูปนี้เป็นโลภาจิตโลภาเนี่ยมันมีรากอีกตัวหนึ่งกันนะมีรากคือโมหะที่ใดเอารากลึกๆหนะ่อยถอนรากยากนากออกรากเลยแ้โลภาจิตเน Low ี่ยมีรากอยู่สองราก คือโลภะกับโมหะเป็นมูลเป็นรากเงาทีนี้โลภะเนี่ยมันทำหน้าที่หวังในอาหารอันนั้นก็เป็นอารมณนะปัจจัยภาพอาหารที่จะทานเนี่ยจะได้กินเนี่ยถ้าเป็นภาพนั้นเรียกว่ารูปารมณ์านึกถึงรสโอ้ยเป็นส้มตำมะละกอเขาใส่มะนาวเนาะมีมะขามในอีกสองลูกอะไรเงี้ยนะอ่ะานนึกถึงภาพอันนั้นน่ะนั้นเป็น ระสารมโอ้โหอากาศร้อนๆนะ่าดูถ้าได้น้นเย็นมาทานสบายนี่นึกถึงโพธพารมโอ้โหนี่ถ้าหากว่าเราได้อาหารตัวนั้นนะมันช่วยมาขยายหลอดเลือดให้ความจำเราดีขึ้นให้สุขภาพเราดีขึ้นนี่เรียกว่านึกถึงธรรมารมเพราะว่าอันนั้นจะมาเป็นโอชาหล่อเลี้ยงและแต่จะนึกถึงแต่พูดโดยรวมๆก็คืออาหาร เกว่าพูดแบบรวมเลยขณะที่ตัวนี้เนี่ยนึกถึงอาหารอาหารเป็นอารามณปัจจัยของโลภะอาหารเนี่ยเป็นอารามณะปัจจัยของโลภ ะ, าา ะ, จจละทีนี้ไอโลภะตัวนี้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นปัจฉาชาจตปัใจจัยให้กลุ่มรูปเนี่ยอยู่แต่ไปได้แต่ถ้าเกิดมันไม่โลภะแล้วอะอะไรอะไรมันไม่เอาสักอย่างจะตายลูกเดียวอะ อันนี้มันก็ปัจฉาขณะที่ยังคิดก็ยังเป็นปัจฉาให้อันนี้อยู่ได้แต่ถ้าจุติจิตมาขั้นเมื่อไหร่นี่ก็เรียบร้อยเลยเั้นการที่ชีวิตของเราเหล่อเลี้ยงไปได้อยู่ทุกวันเพราะเรายังมีจิตมีจิตแต่ที่พูดถึงความหวังเมื่อกี้เนี่ยหมายถึงลูกนกลูกนกบางอย่างนี่แม่ไม่เคยต้อนอาหารเลยจนโตบินไปหากินเองได้แต่ว่าร่างกายของเขาที่เจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยอยู่ด้วยความหวังจิต เหล่านี้เป็นปัจฉาชาตะปัจใจให้ลูกนกอยู่ต่อไปได้อารมณ์ไม่ได้เป็นอะไรเลยคิดถึงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ตัวปัจใจที่ทำให้กายนี้อยู่ต่อไปได้ก็คือจิตลักษณะนี้เรียกว่าเป็นปัจฉาชาตะปัจใจได้ทำให้ไม่ตายะนะ คิดว่าสักวันหนึ่งเจอลูกนะเดี๋ยวลูกจะมาหาแล้วลูกจะมาหาแล้วร่างกายก็หายใจผ ง, งาบผงาบนี่แน่ๆแต่รอลูกหน่อยบางคนเนี่ยหพอเห็นหน้าลูกพักหนึ่งก็สิ้นใจเลยนะอเรียกว่าอยู่ด้วยความหวังแต่มันหน้าตายจังหนี่ยก็ไม่ตายสักเพีนะแต่ความหวังนี่ยมันทําให้ได้อลักษณะนี้เรียกว่าปัดชา้าชาตะปัด่าทีนี้อ่ากลุ่มนี้เนี่ยพอพอได้แล้วเนาะ ในกลุ่มเหล่านี้เดี๋ยวจะมีการอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เราพูดแบบรวมๆเลยเราพูดแบบรวมๆซึ่งให้สังเกตถ้าเรายังเอาสูตรของเราที่เราเคยเรียนมาเรื่อยๆแลก็คือวัตถุวิญญาณและอารมณ์เนี่ยถ้าเราจะนึกนะให้เอาสามภาพนี้เป็นหลักแล้วเราจะรู้ว่าปัจจัยที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยอยู่ส่วนไหนกันแน่แล้วเราจะจ ะ, จะนึกภาพออกว่าเรากําลังพูดถึงจุดไหนอยู่ เสร็จแล้วม hmm. ันจะเห็นความสัมพันธ์กันง่ายแต่ถ้าไม่เอาวัตถุวอารมณ์วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งมาตั้งเนี่ยเราจะลำบากมากเลยยกตัวอย่างซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะในการพูดถึงเก้าชาติแบบองรวมนี่เรียกว่าพูดแบบองรวมยังไม่พูดแบบย่อยในสหชาติชาติก็คือกลุ่มเจจิตเจตสิกที่ทำงานร่วมกันเกิดพร้อมกันเหล่านี้จจิตเจตสิกเหล่านี้เนี่ยถ้าโลภะเนี่ยนะมันไม่อยู่แค่ใจหรอก มันทำให้เกิดคาพูดด้วยเนี่ยโลภะก็เป็นเหตุให้เกิดพูดด้วยนั้นการที่โลภะมันเกิดขึ้นทำให้จติตเจตสิกเกิดร่วมกันเนี่ยแล้วมันทำให้เกิดพูดออกมาใหญ่เลยเนี่ยอันนี้แหละเป็นลักษณะของสหชาตชาติใช่ไหมหรือเช่นเอาปัญญาดีกว่านะ ปัญญาปัญญาเป็นเหตุตุปัจแล้วก็อโทสะอโลพะเป็นเหตุปัจจั ย, ป, ป, จจยปัญญามต้องรากต้องลึกกว่า อ, อย่างอื่นอีกเนาะโธปัญญานี้ก็เป็นเหตุปัจจัยเหมือนกันนะเป็นรากเหมือนกันปัญญาเนี่ยเป็นเหตุตุปั จ, จ ที่ฉลาดแบบนั้นเดอะปัญญานี้สามารถที่จะรู้อารมณ์อะไรต่างๆก็ได้อย่างเช่นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพระองค์แสดงคำพระองค์เนี่ยจะมีอารมณ์อยู่นะเช่นพระองค์พูดถึงรูปเสียงเปลี่ยนรถเนี่ยพระองค์จะมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์ตามแต่คําพูดที่พระองค์พูดออกมาพระองค์จะรู้ในสิ่งนั้นๆอย่างถูกต้องเลยอย่างเช่นพระองค์พูดถึงดูก่อนพิสูจน์ทางหลาย เรื่องเคยมีมาแลว้วระหว่างเทพกับอสูรเนี่ยรบกันพระองค์เนี่ยจะนึกมีมภาพเหตุการณ์เหล่านั้นใ น, ในห่วงของมโนวิญญาณของพระองค์อยู่แเรียกว่าถ้าพูดแบบภาษาสมัยใหม่มีภาพอันนั้นอยู่ในสมองแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่แต่ภาาสำเนาธรรมะพระองค์เนี่ยด้วยอำนาจสัพพัญญุตยานี่น่วงรับรู้ภาพที่เคยมีเทวสงครามระหว่างเทวดากับอสูรรบกัน พระองค์ก็มีภาพนั้นแล้วพระองค์ก็เล่าปากของพระองค์ก็พูดไปในห่วงมโนวิญญาณของพระองค์ก็นึกถึงภาพเหล่านั้นภาพอันนี้เนี่ยเป็นภาพที่รู้ทางใจด้วยปัญญาเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมะไปคำพูดที่กล่าวถึงเรื่องราวเหล่านี้ก็มาในลักษณะนี้งั้นการที่จิตเกิดขึ้นนวงนึกถึงอารมณ์แล้วก็นึกไปด้วยพูดไปด้วย ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเรียกลาลักษณะของสหช า, าชาติชาติอัง น, นี้นะอีกใ น, นหนึ่งเราก็นึกถึงที่ทํางานนะเรามีเพื่อนมีญาติใช่ไหมคิดถึงไปด้วยกับพริบตาไปด้วยพริบๆแล้วก็คิดเออไอจิตตัวนี้มันทําให้กระพริบตาโดยที่นึกถึงภาพอันนั้นเป็นอารมณ์นั้นความคิดที่คิดขึ้นในขณะนั้นมันทําให้เกิดการกระพริบตาเกิดการขยับตัวเกิดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย อันนี้เรียกว่าจิตตะชะรูปพูดอีกกลุ่มหนึ่งนะก็คือจิตะะจตะชรูปจิตตะชรูปนี้มีหลายอย่างด้วยกันจิตตะชะรูปที่เกิดจา ก, กเกี่ยวกับการพูดหัวเราะร้องไห้บางคนเนี่ยนะสมมติน ะ, ะเขาบอกว่าโหญาติของคุณเสียชีวิตแล้ว โทสะจิตเนี่ยเกิดขึ้นเป็นรากเงาของความคิดอันนั้นเลยเสร็จแล้วก็ร้องไห้มันแค่นึกถึงภาพเนี่ยทางนี้ก็ร้องไห้แล้วนะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำมา ร, ร้องไห้เพราะการร้องไห้เป็นจิตแต่ชรูปที่เกิดจากโทสะโทสะจิตเกิดจากจิตที่เป็นโทสะเพราะฉะนั้นลักษณะของสหชาตชาตินั้นก็คือยังแบ่งออกไปอีกนะเช่นพวกนี้ แบ yeah. ่งเป็นหนึ่งนะหนึ่งนามเป็นปัจจัยแก่นามจิตเจตสิกเป็นปัจจัยไปแก่จิตเจตสิกในลักษณะนี้เรียกว่านามเป็นปัจจัยแก่นามนี่ในหนึ่งนะตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่สองนามเป็นปัจจัยแก่รูปจิตเจตสิกเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่จิตตะชุบสาม นามเป็นปัจจัยแก่นามรูปจิตใจรศิกเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่ตัวเองด้วยเป็นปัจจัยแก่รูปเหล่านี้ด้วยอันนี้นี่ยกตัวอย่างเฉพาะตรงนี้นะเครียกว่าแสดงแบบมีส่วนเหลือเพราะฉะนั้นนี่ทำไมเอามาพูดไม่หมดที่จริงมีในย่ออื่นด้วยแต่เอาเฉพาะตรงนี้มาอานะซึ่งเราค่อยๆเรียนละเอียดไปเรื่อยๆไปนี่นี่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งทบทวน ลักษณะนี้เป็นเรื่องของหนึ่งนะสหาชาตะ ช, ชาติสหชาตะชาติเลยพูดแบบรวมๆเพราะไม่ใช่ปัจจัยเดียวไอ้ลักษณะนี้รู้ไหมเท่าไหร่สิบห้าปัจจัยอ่ะแต่แต่ยังไม่ยังไม่ขยายในเรื่องของอารมณ์เนี่ยนะจิตเกิดขึ้นอย่างไรต้องรู้อารมณ์อารมณ์นั้นจะเป็นอดีตอนาคตก็ตาม อารมณ์ที่ทําให้จิตรู้หรือจิตรู้อะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยคําว่าชาติเนี่ยแปลว่ากลุ่มใช่ไหมเช่นคนชาติไทยชาติพ ม, ม่าลาวเขมรยุนอะไรพวกนี้แปลว่าพูดแบบกลุ่มๆกลุ่มๆกลุมๆกุๆ่มๆกันนั้นอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวนะยังมีกลุ่มปัจจัยที่เกิดพร้อมกับเรื่องของอารมณ์อีกมากเช่นอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็น อารมณนาที่ปฏิปัต จ, จัยอารมณ์นั้นเป็นปัจจุบันเป็นปุเรชาตปัจจ ย, ยังยังมีหลายปัจจัยแต่ให้รู้ว่าเป็นกลุ่มอารมมณชาติกลุ่มอารมมณชาติ่ น, นกลุ่มที่สองลักษณะแบบนี้กลุ่มที่สามคือวัตถุวัตถุตัวนี้เนี่ยนะที่เป็นกรร ม, มชรูปเนี่ยมีอิทธิพลความสาคัญเป็นที่อาศัยเกิดของจิต เหมือนจิตเนี่ยนะเหมือนกับน้ำมีมีช่างทาสีอยู่คนหนึ่งมีกระป๋องกระป๋องสีและเขาก็มีน้ำอยู่ในในนี้เสร็จแล้วก็มีสีประกอบประมาณสักสิบสีมารวมๆกันกระป๋องเหมือนกับวัตถุใจเหมือนกับน้ำเจตสิกก็เหมือนกับสีที่ประกอบในน้ำนั่นแหละ ฉันในฐานะว่ากระป๋องเนี่ยมีส่วนที่สําคัญต่อการอาศัยของน้าและสีไม่ให้น้ําและสีหกหรือรั่วไปฉะนในในวัตถุรูปเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากต่อสภาพจิตเหล่านี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะแม้แต่จิตจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปยังมีความสําคัญต่อพวกนี้ด้วยนะ อีกครั้งหนึ่งมีรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเป็นลักษณะนี้ด้วยยังเป็นปัจจัยด้วยเช่นโดยรูปอาหารปัจจัยเป็นตน้นเพราะในนี้มีโอชาหารอยู่ด้วยทีนี้ต่อไปอีกนี่นะกลุ่มวัตถุซึ่งหมายถึงตัวนี้อย่างเดียวคบท้วนอีกครั้งหนึ่งข้อสามไอ้ข้อ 3. ข้อสามได้แล้วข้อสี่อนันตระชาติเรียกว่าจิตดวงก่อนๆ น, นะเป็นปัจจัยว่างั้น จิตดวงนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อดวงบนเนี่ยดับไปแล้วดวงก่อนเนี่ยดับไปแล้วดวงนี้จึงจะเกิดขึ้นได้ในลักษณะเป็นปัจจัยในลักษณะนี้เนี่ยเรียกว่ากลุ่มอนันตรชาติเพราะไม่ใช่มีปัจจัยเดียวเช่นอนันตรสมานันตรนัธวิคตะอาเสว น, ะนาณัคขคณิกกรรมะเนี่ยได้ตั้งหลายปัจจัย านานาคคณิก ก, ก, กรรมมักเรียกว่ากรร ม, มะนันตระหมายถึงมักเป็นปัจจัยแก่ผลอันตต้องตัวนี้ต้องหมดไปก่อนอันนี้จึงจะเกิดขึ้นได้ลักษณะนี้เรียกว่าอนันตราชาตินะมีหลายปัจจัยคอยรู้ว่าหลายผูหูผูกผู้หูพดหูพดเห็นไหชาติเนี้ยต่อไปปัจฉาชาติชาติก็คือเหมือนกับอ่าหวังว่าจะเห็นหน้าลูกก่อนแล้วค่อยตายลักษณะเนี้หวังอยู่อย่างเงี้ย พอหวังได้แท้เลยไม่ตาแตยแล้วพองยางนี้เรียกว่าปัดชาชาติชาติอีต่อไปก็คือปกตูปนิสยชาติปกตูปนิสยชาตินี่นะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่านี้เป็นจิตของเรานะเป็นมหากุศลจิตที่กําลังมาศึกษาธรรมะเนี่ยฟังเสียงมีธรรมะเพราะฉะนั้นกุศลจิตนี้มีเสียงเป็น อารมณ์เสียงนี่มีเหตุเกิดเท่าไหร่สองยกตัวอย่างเช่นมีจิตเป็นสมุธฐานเสียงนี่มีจิตเป็นปัจจัยก็คือคล้ายๆกัอันนี้จิตนะทำให้เกิดคำพูดออกมาแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมารับรู้ก็คือสมมตินะมีคนสองคนกำลังสนทนาทำกันอ่ะอีกคนนี้ก็พูดมาก็พูดในลักษณะนี้นะ ทำให้เกิดเสียงแบบนี้อีกคนหนึ่งก็ได้ยินพออีกคนหนึ่งได้ยินปั๊บมีการพูดจิตเนี่ยทำให้เกิดพูดทำให้เกิดเสียงให้อีกคนหนึ่งได้ยินมีการสนทนากันไปลักษณะนี้จิตของคนคนนี้เนี่ยเป็นปกตูที่สำคัญต่อจิตของคนนี้จิตของคนนี้ก็เป็นปกตูที่สำคัญต่อจิตของคนนี้ลักษณะนี้เรียกว่าปกตู ถ้าเรากําลังโกรธอยู่ด้วยนะมีคนขี้โกรธมายุ่เราใหญ่เลยนะไอ้ต่างคนต่างโกรธคุยกันไปโหแต่ได้ยินนะสองคนเนี่ยเขาก็กอดคอกันร้องไห้นะคุยกันไม่ร้องไห้กันด้วยกันนั่นแหละ อ, อันนี้ก็เป็นประตูซึ่งกันและกันอีกเรียกว่าประตูภายนอกถือว่าเป็นอุปนิสัยที่มีกําลังมากเพราะผู้มีประภาคจนตรัสว่าอาใบไม้ธรรมชาติของเขาเนี่ยไม่เน่าเหม็นแต่เมื่อเกี่ยวข้องกับปาร้าหรือปลาเน่าก็ทําให้เน่าไปด้วย การเกี่ยวข้องกับคนฉันใดก็ดีมันเป็นประตูให้เราเข้าไปส่องเสพคบคนเช่นใดก็จกเป็นคนเช่นนั้นอันนั่นแหละลักษณะนี้เรียกว่าประตูปนินสยปัจจัยแต่สีหน้าของเขาเป็นอารามณะปัจจัยเสียงของเขาเป็นอารามณะปัจจัยแต่ใจของเขาเนี่ยทำให้เขาพูดเนี่ยเป็นประตูปัินสยปัจจัยต่อใจของเรามากเอางี้นะ ถ, ถ้าสมมติถ้าจมาพูดนะพูดโอ้โหเครียดพูดเสร็จแล้วนะยอมก็เครียดด้ว่ <c oughs> อยะที่จริงได้ยินแค่เสียงนะคิดเอาเองนะ <c oughs> แต่ว่าจิตของถือว่ามีความสำคัญต่อการฟังมากลักษณะนี้เรียกว่าปากกระตูปนิสยปัจจัยนี่หนึ่งตัวอย่างหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศก็มีส่วนที่สาคัญต่อการ เจริญกุศลธรรมเหมือนกันนะถ้าเดินฟ้าอากาศไม่ดีก็ทําให้เจริญกุศลธรรมไม่ดีหรืออาหารที่เราบริโภคเข้าไปหล่อเลี้ยงกายเนี่ยนะไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีนะักสุขภาพจิตก็ไม่ดีไปด้วยถือว่ามีความสําคัญหรืออย่างนึงหนึ่งก็คือถ้าในหลวงประพฤติ ธ, ธรรมการประพฤติ ธ, ธรรมของในหลวงมีความสําคัญต่อการเรียนธรรมะเรามากเช่นระบอบการปกครองแผ่นดินเนี่ยนะถ้าเขาห้ามคนมารวมรวมกันอย่างเงี้ยถ้าห้ามอะไรจะเกิดขึ้น การที่ในหลวงมีธรรมเนี่ยนะถือเป็นอุปนิสัยที่สําคัญต่อการเรียนธรรมะของเรานั่นแหละเลืออย่างเช่นที่เราเรียนธรรมะเพราะอาศัยเอื้อเฟื้อสถานที่จากจากท่านจเจ้าว่าที่อยู่วัดที่นี่ใช่ไหมแต่ท่านเกิดบอกไม่ให้เรียนน่ะเราก็อดแต่ถ้าบอกว่าเออท่านบอกอตามสบายเลยนะเพฉะนั้นคําพูดอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอุปนิสัยที่สําคัญต่อการการศึกษาของเราลักษณะนี้เนี่ยนะทั้งๆ ท, ที่ไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยแต่มันก็เกี่ยว ถือว่าเป็นปกตูปะนิสยะปัจจัยที่ที่สําคัญต่อการต่อจิตเหล่านี้มากอนี่ก็เป็นลักษณะของปกตูเดี๋ยวเรานี้นี้ทบทวนที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้เราเข้าใจชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือนา น, นัาขากักขินิส ก, กรรมในจิตดวงนี้มีเจตนาเกิดร่วมด้วยใช่ไหมเจตนาเกิดร่วมด้วย เจตนาในการศึกษาธรรมะนี้เนี่ยเป็นปัจจัยให้ได้รับวิบากต่อไปให้ได้รับวิบากต่อไปข้างหน้าการที่เจตนาจะให้เรารับวิบากต่อไปข้างหน้าลักษณะนี้เรียกว่านานัคขะคณิกะกรรมชาติที่ใช้คําว่าชาตินะถ้าเจตนาตัวนี้มีกําลัง ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อวิบากที่มีกําลังถ้าปัจจัยอันนี้ไม่มีกําลังก็ชื่อว่านานักชยฉยแต่ว่านานักกับประตูบางทีมันเข้ากันได้มันประกอบกันถ้ากรรมอันนั้นมีกําลังมากอย่างเช่นคนที่ทําบุญกับพระปิจกตรพุทธเจ้าตอนที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้วขณะที่กําลังทําอยู่นั้นเนี่ยก่อนทําเขาก็ ผ่องใสกำลังทำก็ผ่องใสทำเสร็จแล้วก็ผ่องใสในขณะที่ทำก็มีปัญญาประกอบเชื่อกรรมและผลของกรรมทายาทานที่เขาได้มาก็เป็นทายาทานที่บริสุทธิ์เขาให้ผลกับผู้มีคุณธรรมเจตนาตัวนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอุปนิสัยที่มีกำลังมากต่อการให้ผลบอกว่าให้ผลกับองประกอบแบบนั้นรวยภายในไม่เกินเจ็ดวันนะบางทีเนี่ยอย่างอย่างพูดถึงนายปุณณนะเนี่ยนายปุณณนะ ท่านท่านใส่บาตรกับพระสารีบุตรนะความไม่ใช่ภรรยาของพระปุณณะเ น, นี่นยใส่บาตรเสถีปปุณณะเนี่ยนะใส่บาตรกับพระสารีบุตรนายปุณณะนี่เอาไม้สีฟันกับตักน้ําถวายพระสารีบุตรแต่เนี่ยไถนาแต่เช่าเลยแกบอกว่าที่ดินที่ไถทั้งหมดกลายเป็นทองคําหมดเลยพระกุศลเจตนาของนายปุณณะที่ใส่บาตรที่ทําบุญกับพระสารีบุตร หรือว่าเป็นกุศลของภรรยาที่ใส่บาตกับพระสารีบุตรเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นปัจจัยให้ทองคำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อะเจตนาตัวนั้นเนี่ยเป็นที่ยังบอกเป็นปกะตูต่อทองคำแต่ทําให้นายตุวนั้นเนี่ยได้รับวิบากเป็นเศรษฐีภายในไม่กี่วันเนี่ยนี้เขาเรียกว่าด้วยอำนาจของนานขัคคณิกกรรมเพราะจิตดวงนั้นเป็นปกะตูที่สำคัญต่อวิบากด้วย เขาจึงเรียกว่าปากปตูปนิสยชาต์บางทียังมีนา น, นะะัขนกขัตคณิกกรรมมาเจือด้วยบางครั้งก็ไม่เจอือบางครั้งก็ปากปตูโดดเลยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องกรรมและผลของกรรมอะไรเลย <c oughs> อทีนี้ในเรื่องของรูปอาหารก็ก็หมอเขารู้ดีเนาะก็นั่นแหละมีความสําคัญต่อจิตใจอย่างนั้นแหละอาหารทุกชนิดมีความสําคัญต่อจิตใจเช่นยาบางอย่างทําให้ผวังขจิตเกิดได้ห้าชั่วโมง ยาอะไรยาสลบนั่นแหละ <c oughs> อย่างนี้แหละทำเรียกว่ารูปอาหารที่จริงรูปอาหารตัวนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้ร่างกายเป็นอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วไอ้ร่างกายอันนั้นเนี่ยเป็นวัต ถ, ถุทําให้ผวังขจิตเกิดอย่างเดียว น, นะฮะก็ด้วยอำนาจของรูปอาหารปัจจัยที่จริงรูปอาหารปัจจัยก็เช่นทาให้มันอ้วนทาให้มันพร้อมนั่นแหละทาให้อ้วนทาให้พร้อม พอมียาตอนหลังมาเขาบอกมียาบางตัวใช่ไหมที่ทานแล้วทําให้หัวดีขึ้นอ่ะยาอะไรที่ไปขยายหลอดเลือดตอนหลังก็ความจําก็ดีขึ้นอะไรขึ้น อ, อ่ะอาหารยาที่ทานเข้าไปแล้วไปช่วยขยายหลอดเลือดเนี่ยนะเป็นรูปอาหารปัจจัยแต่หลอดเลือดเลือดการไหลเวียนของเลือดเนี่ยเป็นประตูปนิสัยปัจจัยแก่ความคิดอ่ะ ก, ก็โดยปัจจัยก็ได้นี่เรียกว่ารูปอาหารชาติ ช่วยมาล่อเลี้ยงมาส่งเสริมร่างกายแต่ละส่วนนี่ต้องการรูปอาหารที่ไม่เหมือนกันนะร่างกายส่วนประสาทจะต้องการรูปอาหารอย่างหนึ่งร่างกายในส่วนตาต้องการรูปอาหารอย่างหนึ่งร่างกายในส่วนของกระเพาะเรื่องในส่วนของตับจะต้องการรูปอาหารแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นวิตามินมีตั้งโอ้เยอะชนิดมากวิตามินเถึงแฟใช่ไห <c oughs> วิตามินอะไรเยอะขนาดนะั้น เช่นตอนถ้าครอบห้าโมแต่บางหมูมันเยอะจัดเลยที่อ้วนเลยนั่นแหละนั้นเรียกว่าอาหารห้าโมที่มาช่วยอุปการะต่อกายนั่นแหละเรียกว่ารูปอาหาระปัจจัยปัจจัยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรูปชีวิตเนี่ยสําคัญมากนะไอ้รูปชีวิตตัวรูปชีวิตเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมใช่ไหมไอ้รูปชีวิตตัวนั้นเนี่ยเกิดจากกรรมเมื่อเกิดจากกรรมเนี่ย มันมันมีความสําคัญต่อร่างกายของเรามากเลยนะมาแลอันนี้เขาเรียกว่ารูปชีวิตดินเรัจฉานอ่าถ้าหากว่าเราคิดว่ามีปัจจัยกลุ่มไหนอีกบ้างที่น่าจะมีเกินกว่าเนี้เนี่ยเราคิดว่ามีไหมว่าคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราว่าเราคิดว่าสิ้นเชิงไหมหรือว่ายังมีวิธีการอื่นอีกมีความสําคัญด้านอื่นอีกนะไม่เกี่ยวกับอย่างนี้เลยเนี่ยมีไหมในในชีวิตของเราเนี่ยนะ ถ้าแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ก, ก็มีแค่เก้ากลุ่มนี่แหละแต่ผู้ที่เรียนอภิธรรมใหม่ๆนะี่โอ้รู้เรื่องไอ้จิตกับอารมณ์เนี่ยนะศึกษาสองคำได้นี่ก็เก่งแล้วนะโอ้ยังยองยังอีกนานก็ไม่ให้ตายง่ายหรอกสายํา ร, รมะยังไม่จบเลยน ะ, นะเข้าใจในเรื่องวัดถูกกับเยเรื่องจิตกับอารมณ์นี่ก็เก่งเลยนะเพราะจิตในการรู้อารมณ์ยังแบ่งประเภทอีกใช่ไหมแบ่งประเภทเป็นเท่าไหร่แปดสิบเก้าหรือร้อยยสบเอด ยังมาแบ่งประเภทแต่ถ้าแบ่งให้มันเยอะจริงๆเนี่ยในอัธสาลีนีท่านบอกว่าหเรื่องของจิตเนี่ยนะนพูดไม่จบหรอกเป็นอนันตนายอะ่ะใช่ไหมแม้แต่จิตเพราะาอารมณ์มันวิจิตใช่ไหมแล้วเจตสิกที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันวิจิตอะ่ะอย่างเช่นแม่แต่ศรัทธาที่อยู่ในจิตอะ่ะยังวิจิตเลยนะถ้าคิดเรื่องนี้กุศลเหมือนกันแต่ถ้าคิดลักษณะนี้ศรัทธามีกําลังน้อย ไปคิดเรื่องนี้เนี่ยศรัทธามีกําลังมากไปคิดเรื่องนี้วิริยะอ่อนกําลังไปคิดเรื่องนี้วิริยะมีกําลังไปคิดเรื่องโน้นปัญญามีกําลังคิดเรื่องนี้ปัญญาอ่อนกําลังแม้แต่เจตสิกทั้งทั้งนี่ปัญญาเหมือนกันแต่คิดอีกเรื่องหนึ่งปัญญาเนี่ยเกิดบ่อยเกิดเอาเกิดเอาแต่ไปคิดอีกเรื่องหนึ่งไม่เกิดคนนึ่งเขียนแล้วเสียสตังเขียนเหมือนกันนะ กิริยาการก็คล้ายๆกันนั้นการรับรู้การรู้สึกนึกคิดต่างๆเหล่านี้ก็เหมือนกันมันมีอิทธิพลมากเพราะจิตเนี่ยมันจึงมีอารมณ์ที่ค่อนข้างหลากหลายก็ที่เรามานั่งเนี่ยเราคิดกี่เรื่องแล้วล่ะโอถ้าจําได้ก็เก่งมากเลยเนะแต่ส่วนใหญ่ก็จําไม่ได้เพราะไม่เคยสังเกตความคิดของตัวเองมากนะักแต่ถ้าคนที่ศึกษาเรื่องจิตตานุปัสสนาเยอะๆนะเขาจะสังเกตความคิดของตัวเองนี่มาก ว่าความคิดเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปกับลายในลายในความคิดของเราบางอย่างเป็นไปกับเสียงเรียกว่ามีเสียงเป็นอารมณ์ความคิดบางอย่างเป็นไปกับมีสีเป็นอารมณ์แม่แต่มีเสียงเป็นอารมณ์เนี่ยน้ำหนักของคำยังแตกต่างกันนะใช่ไหม น, น้ำหนักของความคิดที่เกิดรับรู้เสียงก็แตกต่างกันด้วยั น, นในเรื่องของจิตเนี่ย ถ้าคนที่เข้าใจเรื่องของจิตดีนะจะเข้าใจเรื่องสหชาติชาติดีอ่าอย่างเช่นจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะพวกนี้ก็เรื่องของสหชาตชาตินั่นแหละจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตปรามีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะอ่าจิตมีเจตสิกใดๆประกอบนะถ้าคนที่รู้เรื่องจิตจะรู้เรื่องเจตสิกที่ประกอบกับจิต เพราะว่าเช่นในช่วงนี้ศรัทธาของเราเนี่ยมีกำลังน้อยเอยช่วงนี้ถีน้ำมิท่ามีกำลังมากอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละเอาเวลาก็ใกล้จับหมดแล้วมีอะไรจะถามไหมก้าวดวงไหน อ, อ๋อใช่ใช่ในดวงจิตใช่ไหม อ๋อไม่ใช่เลยเนี่ยไม่ใช่ไชอ้นั่นมันเจตสิกที่ประกอบมันไม่ใช่เก้ากลุ่มนี้ ม, น ม, ม, นมันมีจิตที่เกิดก่อนเกิดหลังอยู่ด้วยครั บ, มรบไม่ใช่เฉพาะในจิตดวงเดียวแล้วครับมีทั้งอาหารมีทั้งกรรมที่อยู่ไกลคร <c oughs> ลับการศึกษาเรื่อง ปัจจัยนะครับในวันนี้ก็จะเป็นเหตุปัใจจัยให้เราได้อ่านปฐพิ ธ, ธกได้เข้าใจจริงขึ้ น, นครับถ้าเราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านะบ่อยๆจากการสังเกตในการที่เราอ่านชัดดกนะุกเห็นว่าผู้ที่บรรลุธรรมะนันทชนมากจากการฟังธรรมะจากพระองค์แต่ทุกท่านที่ฟังเข้าใจบรรลุนั้นก็มีพื้นฐานจากปัจจัยต่างๆเป็นอย่างดีนะครับ เพราะฉะนั้นการศึกษาอาภิธรรมนั้นอาจะให้ได้ผลสมบูรณ์จริงขึ้นก็ด้วยการไปศึกษาการไปอ่านพระไตรปิฎกฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงไม่มีการฟังพระไตรปิฎกหรือว่าหาได้กล่าวถึงชาดิตกต่างๆสลับกับการสอนไปด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับยังทําให้เพียงพอก็พระอาจารย์มี บาราทิฏฐิวันหนึ่งนะครับท่านจะอ่านชาดกให้เราที่เป็นผัสสะที่ห้านะนะท่านหมายเอาอะไรทำไมที่ห้าแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้คะไม่เข้าใจคำถามก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพูดถามก็ไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่าทำอะไรเลยใช่ค่ะคือท่านพูดบอกว่าผัสสะเป็นธรรมะที่ห้ามันต้องมีอะไรในนั้ น, บ, น, นบ้างนะฮะเขาเรียกว่าผัสสะปัญจกะ <S <S 2> <S 2> ผัสสะปัญจกะผัสสะปัญจกะนั้นก็คือกลุ่มธรรมะมีผัสสะเป็นที่ห้า ยกตัวอย่างเช่นในจิตหนึ่งดวงนะมีเจตสิกประกอบอย่าง น, น้อยที่สุดกี่ดวงเจ็ดดวงคือหนึ่งผัสสะสองเวทนาสาสัญญาสเจตนาหเอกคตาหชีวิตอินรีเจ็ดมานสิกาณในเจ็ดดวงนี่นะท่านท่านมาเรียงอีกวิธีนึงการเรียงในพระไตรปิฎกส่วนใหญ่นั้น จะไม่เรียงแบบอภิธรรมัตสังกหะนั้นในอัตกถาท่านขยายตามอภิธรรมปิดกท่านไม่ได้ขยายตามอภิธรรมัตสังกะหะนั้นคําว่าภาษาปัญจากาก็คือเป็นธรรมะกลุ่มแรกในกิจทุกดวงเช่นกลุ่มแรกของอดวงที่หนึ่งนะมหาภูสโดวงที่หนึ่งเนี่ยเขาแบ่งกลุ่มภาษาปัญจากะหนึ่งภาษาภะโสโหโติเวทนาหโหติ สัญญาโหติเจตนาโหติจิตตังโหติห้าคำนใช่ไหมธรรมะห้าคำนี้เรียกว่าภาษาปัญจกะกลุ่มธรรมะมีภาษาเป็นเบื้องต้นน่ะนั่นแหละเป็นเบื้องต้นเป็นข้อแรก อ, อ่ะอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นที่ห้าก็ได้ชื่อเรียกว่าได้ชื่อเบืออเบ้องต้นน่ะเบื้องต้นน่ะเขามีธรรมะแบ่งเป็นห้ากลุ่มนะอย่างเช่นตะจัปัญจกะตัมมทานตะจัปเนี่ยแปลว่า ปะ จ, จ่ตโจตะโจหนังตะจะปันจกระกรรมฐานก็คือกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ห้ามีอะไรบ้างหนึ่งเจสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนขาเล็บทั้งหลายนขาเล็บนะสุนักะสุน ก, ก็คือคนมีเล็บงามผู้มีเล็บงามแล้ไปตัด เล็บขบออกนี่มนงามหรือเปล่าันาะขาเนี่ยนะเล็บทันตาทันตาทันตะแท้อะฟันทั้งหลายแล้วก็สุดท้ายหนังเนี่ยธรรมะที่มีภาษะเป็นที่ห้ า, าไม่ใช่ตะจะปันจกกรรมฐานกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ห้า น, นะธรรมะกลุ่มนี้ก็เหมือนกันประกอบด้วยภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตถือว่ามีภาษาเป็นเบื้องต้น ภาษาปัญจกะมีภาษาเป็นเรื่องต้นดีกว่านะอีกจำนวนให้กันว่ามีภาษาเป็นที่ห้าคือศัพท์เนี่ยมันาบางท่านก็แปลว่ามีภาษาเป็นที่ห้านั่นแหละอันในจิตหนึ่งดวงเนี่ยอย่างน้อยๆเ น, นี่ยธรรมะหา้าห้าอย่างนี้ต้องมีแน่นอนเพราะธรรมะห้าอย่างนี่แหละทำให้เรารู้จักขันห้าดีขึ้นในจิตทุกดวงเนี่ยมีเช่นภาษาเจตนาเป็นขนาาันอะไรสังขารขัน จิตเห็นก็มีสังขารขันใช่ั้ยนั่นแหละมีผัสสะผัสสะกับเจตนาเป็นสังขารขันเวทนาเป็นเวทนาขันสัญญาเป็นสัญญาขันจิตเป็นวิญญาณขันจิตมีสิ่งใดจิตอาศัยวัตถุใดเกิดวัตถุนั้นเรียกว่ารูปขันรูปขันเช่นจิตอาศัยตาเกิดตาเป็นรูปขัน จิตอาศัยหูเกิดหูเป็นรูปประขันจิตอาศัยจมูกเกิดจมูกเรียกว่ารูปประขันจิตอาศัยลิ้นเกิดเรียกว่ารูปประขันเหมือนกันจิตอาศัยกายเกิดก็เป็นรูปประขันจิตอาศัยหาทายวัตถุเกิดก็เป็นรูปประขันจิตมีสีเป็นอารมณ์อารมณ์นั้นก็เป็นรูปประขันมีเสียงเป็นอารมณ์เสียงก็เป็นรูปประขันจิตอย่างไรก็ตามจิตจะรู้อะไรก็ตามจิตนั้นเป็นวิญญาณขัน สัญญาที่เกิดร่วมกับจิตนั้นเป็นสัญญาขันความรู้สึกหรือเวทนาที่เกิดร่วมกับจิตเป็นเวทนาขันธ์ผัสสะกับเจตนาเป็นสังขารขันธ์ขันธ์ห้าดูความพิสูจน์ทั้งหลายถ้าเขาทั้งหลายจะถามเธอว่าเธอประพฤติพรหมจรรย์ในส ม, มณะโคดมเพื่ออะไรใช่ไหมบอกเพื่อกําหนดรู้ทุกข์มาถามว่าทุกข์คืออะไรคือขันธ์ห้า ถามว่าประพฤติธรหมจรรย์นในสมณะโคโดมคือประพฤติศีล ส, สมาธิปัญญาเพื่ออะไรเพื่อกําหนดรู้ขันธ์หถ้ากําหนดปุ๊บต้องนึกถึงคําว่านึกถึงคําว่าอะไรกำหนดแปลเป็นบาลีว่าปริญญาปริญญาปริญญามีเท่าไหร่มีสามไม่ใช่โอ้โหแตะแตะเหมือนแตะเด็กนะต้องรู้แบบหนึ่งรู้ยาตาปริญญารู้สิ่งนั้นพร้อมทั้งตัดใจชันยกตัวอย่างนะว่า ในมหากรุสเนี่ยมีภาษาเป็นที่ห้านะเบื้องต้นเลยนะภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตหํานี้ต้องเกิดร่วมกับจิตทุกดวงทั้นในมหากุศลเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้ายกจิตเป็นวิญญาณขันธ์ภาษะเจตน า, เจ ต, นาเจตสิกที่เหลือเวน้นเวทนากับสัญญาเวน้นเพราะเวทนาเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่ประกอบเป็น สังขารขันสังในจิตหนึ่งดวงได้นามขันธ์สี่เพราะสิ่งเหล่านี้น้อมไปรู้อารมณ์ธรรมชาติใดที่น้อมไปรับรู้สิ่งต่างๆสิ่งนั้นชื่อว่านามธรรมเพราะน้อมไปรู้อารมณ์น้อมไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสโทสะผ้พวกนี้เป็นนามธรรมการรู้แบบนี้รู้ว่ า, วานามอาศัยสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นรูปธรรม นามรู้สิ่งใบสิ่งนั้นเป็นทั้งรูปเป็นทั้งทั้งนามนั้นตัวที่น้อมไปรับรู้อารมณ์เป็นนามธรรมนั้นการรู้จักธรรมะเหล่านี้พร้อมทั้งตัดใจนี้เรียกว่ายาตะปริญญานั่นแหละปริญญานี้จะทำได้ที่ไหนก็ที่ใดมีปัญญาเกิดก็เรียนที่นั่นแหละไะ ปัญญาเกิดที่ใดศึกษาเรื่องนี้ที่ไหนทําปริญญาที่นั่นและพวกนี้เนี่ยมันเป็นการทําแบบค่อนข้างจะสะสมแต่คิดอีกในหนึ่งเนี่ยเมื่อเช้าบอกว่าถ้าไม่รู้อย่างนี้เป็นโมหะนะนั่นแหละพระองค์บอกว่าพึงรีบจเจริญกุศลธรมรมรีบประพฤติพรหมจารย์เหมือนดับไฟไหม้บนศีรษะนะจะปล่อยไม่ได้นะปล่อยโอ้ยปฏิบัติธรรมเดี๋ยวอายุมากๆค่อยไปปฏิบัติธรรมก็ได้โอ้ยปั่มป่มเป๋าเป๋าวไปทำอะไรได้ <c oughs> เพิ่นศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้ดีนะแล้วจะเข้าใจว่ากลุ่มปัจจัยนี่ก็คือกลุ่มนี้แหละะพั้นการเรียนรู้เรื่องธรรมะเหล่านี้พร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยเป็นภูมิของยาตะปริญญ า, าถ้าโดยยานะสงข้อลงยานะได้หนึ่งนามรูปปเฉ ท, ทยานะกับปัจจยะปริกหายานะสองยานเนี่ยนะการศึกษาเรื่องปัจจัยที่สมบูรณ์เนี่ยสองปัจจัยนี้ หรือโดยวิสุทธิที่เป็นได้าสองวิสุทธิคือทิฏฐิวิสุทธิกับกังขาวิตรณวิสุทธิถ้าเข้าใจเรื่องปัจจัยสมมติถ้ากุศลจิตเกิดด้วยปัจจัยลักษณะนี้แม้แต่วันต่อๆไปถ้ากุศลจิตจะเกิดก็ต้องด้วยปัจจัยเหล่านี้เหล่านี้เพราะไม่ไม่ใช่2อนี่เขียนแค่สองไม่แค่คิดว่าแค่สองด้วยนะนั่นแหละหรือเมื่อชาติที่แล้วถ้ากุศลจิตจะเกิดก็ด้วยเงื่อนไขเหตุปัจจัยเหล่านี้นั่นแหละ เพราะถ้าเรียนรู้เรื่องปัจจัยมากๆก็จะเข้าใจเรื่องพบภูมิดีขึ้นเพราะรู้ว่าความสืบเนื่องของจิตมันเป็นไปอย่างนี้ถ้าจิตอีกดวงหนึ่งมาขั้นตั้บเรียกว่าจุดติจิตปฏิสนธิจิตต่อทันทีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคนตายกับคนหลับใกล้กันมากเสร็จแล้วการเกิดใหม่นี่ไม่ใช่ของง่ายเลยไม่ใช่ของยากเลยนะก็กคิดดูสิเราเกิดมาเอาตื่นมาเอาเกิดใหมอ่มอีกแล้วเหรอทั้งกับเด็กๆอ่ะ เสรแล้วถ้าจะตายแล้วใครจะรู้อ่ะใช่ไหมการทอดทิ้งศพก็เหมือนกับคนถ้าหากว่าตายจากาจากมนุษย์ไปเป็นเทวดานะก็เหมือนกับการที่เราหลับแล้วก็ตื่นขึ้นไม่ต่างกันเหมือนเหมือนอเทวดาท่านหนึ่งนะในอัชาราตสูตรสังยุตติกายสขารวักเทวปุตะสังยุตอ่ะอก็กล่าวถึงเทวดารูปหนึ่งเนี่ยท่านกำลังเจริญกรรมฐานใหญ่เลย ท่านเดินยืนเดินนั่งไม่ไม่นอนนะไม่ใช้อิริยาบถนอนท่านทําอยู่อย่างนี้เนี่ยตอนหลังเนี่ยขณะที่ท่านเดินเดินเดินไปเนี่ยลง ม, มันเสียดแทงขึ้นแล้วก็ล้มแผะจุติทันทีเลยฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็โหมีโยมเข้ามานั่งล้อมเต็มไปหมดสํารวมหน้าดูเลยเป็นผ้านนะสํารวมนะโยมก็บอกว่าท่านท่านท่านไม่ได้เป็นสมณะแล้วท่านเป็นเทวดาแล้วท่านก็ยงสํารวมอีกกนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทวดานะ เอากระจกมาให้สองดูเอ้ยเรานี่เป็นตายแล้วนี่โอ้ยปฏิบัติธรรมได้เป็นแท้ตายได้ต้องมาอยู่อย่างนี้อีกเสียใจายมากเลยนะไม่ได้นิพพานซะก่อนกลับมาเทวโลกเนี่ยการเกิดเป็นเทวดามันเป็นเรื่องกระจกที่สุดอะ่ะแต่การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของยากเพราะง่นอนที่กิเลสมันจะเล่นงานกลับไปหาพระพุทธเจ้าก่อนไปก็ถึงไปขอฟังธรรมไปถามปัญหาธรรมะพระองค์ก็แสดงธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระพระโสดาบันเพราะฉะนั้นการจุติกับปฏิสนธิเนี่ย ไม่ใช่ของของยากเลยแป๊บเดียวจริงๆเลยแต่ปัญหาถ้ามันจุติจิตแล้วมันไปอยู่ที่ไหนหละนั่นแ่ะคือปัญหาสําคัญที่สุดจะไปไหน น, นั่นแหละอสาธุาธมีคําถามเ อ, อีกอไหมประตักประ ต, ตักนี่ก็คือของแหลมๆอ่ะ ไอ้ปัจจัยเนี่ปัตตักเป็นปัจจัยนี่ใครถูกทิมมาปัตตักก็คืออย่างเช่นพวกปัตตักอะ่ะของแหลมแหลมอะ่ะที่เขเอาไปทิมการเรียนตอนนี้นะครับผมว่าค่อนข้างเชันหนักใ <c oughs> จะพึ่งทอ น, นะครับพอาจารย์เคยบอกกับผมว่าอาตมาเนี่ยจะมีความสุขมากถ้าพวกนักเรียนทุกคนนะจบแล้วสามารถจะมีพัฒตาพิดกหรือพระสัทธธรรมไป็ที่พึ่งได้ พระพุทธเจ้าไวนั้นนะครับปราะว่าิธรรมอุทวันนี้เริ่มจะเพียนหางออกไปทุกที่ทุกทีนะครับแต่ถ้าเรามีพัดไฟพิสดกและเราสามารถจะอ่านให้เข้าใจนั่นมันจะเป็นสิ่งที่เราเป็นที่ทพึงได้ในที่สุดโดยเฉพาะถ้าเราได้เข้าใจแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้นะที่เรากําลังเรียนนะครับ น, นี่จะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้เราอ่านพัดไฟพิสดกได้ในที่สุดนะครับถ้าถึงวันนั้นอาจารย์พระพระุทเจ้าทุตังข้าคงจะมีความสุขถือว่าเป็นภารกิจอันหนึ่งที่ทำได้กระทํา เสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ตั้งจิตตั้งใจนะครับอย่าท้อนะฮะที่แม้เราไม่เข้าใจวันนี้นะครับวันหน้าก็เข้าใจผมเห็นว่าหลายท่านนั้นที่มีคําถามอยู่นะครับแต่ยังไม่กล้าจะถามเรื่องนี้นะฮะก็อาจารย์ท่านให้โอกาสนะครับท่านว่าท่านเป็นนักศึกษาด้วยคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะคุยกันด้วยกันเอาหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะปัจจัยพิดกนะฮะมาศึกษากันก็ยินดีใช้ปาะครับอาจารย์ครับครับท่านนี้เราจะเพิ่มเติมก็ในกุณาถิรุกครับ วันนี้พอดีไปไปชุมมาเลยไปทานอาหารมาเลยไดนั่นหวงหน่อยไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทราบจะถามอะไรดีเขาโครงเฉยยั ง, <อ> ง, ย, งยังไม่ได้อธิบายอะไรมากเลยเพียงแต่ขึ้นลักษณะเขาโครงของของปัจจัยนะซึ่งคิดว่าวันเสาร์หน้าเราคงจะได้เริ่มขึ้นคาว่าอะไรคือปัจจัยอะไรคือปัจจัยยบันอะไรคือเหตุอะไรคือผลอะไรเป็น เป็นปัจจนิดร์แมลักษณะของชาติของปัจจัยทั้งเก้าชาติเนี่ยมันแตกขยายตัวไปได้อย่างไรอีกบ้างซึ่งคงจะเป็นบรรสาวหน้าน ะ, ะปัจจัยนะฮะที่ที่เคยประสบกับตัวเองเนะะี่ยตอนนั้นก็คุณแม่นะฮะเขาก็อยู่กรุงเทพอะแล้วก็ใกล้จะจุติอยู่แล้วค้ะ <c oughs> เ, เสร็จแล้วแต่ก็รู้ตัวมาตั้งสองสามวันวนะว่าก็ถามว่าจะจะให้ใส่ชุดไหนตายว่างัน้น ปรึกษาลูกๆนะสามวันเราเอ๊ใส่ใส่ชุดขาวดีไหมอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนั้นมันเป็นหน้าปีใหม่อ่ะวันที่หนึ่งมกรามาติดสี่วันแล้วก็ลูกลูกชายกับน้าเนี่ยอากาศกับ น, น้องสาวของท่าน่ะเดินทางไปยังไม่ถึงก็รอรออยู่รอรอจนกระทั่งพอไปถึงก็ ย, ยัไม่ไม่นานนะพูดกันไอ้สิ่งที่ค้างคาใจายอยู่มีทุร่าอะไรนิดหน่อยนะ พอพูดกันได้ไม่นานก็ไปเลยจิตติทันทีเพราะเบอย่างเดียวนะคายปัจฉาชาตะเนี่ยอันความหวังบางอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยให้ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะลักษณะจิตที่เกิดขึ้นหลังๆทาให้รูปกายหรือว่าร่างกายของเราทั้งหมดสามารถอยู่ต่อไปได้ไม่ตายอ่าในลักษณะนี้เป็นเรื่องของปัจฉาชาตะปัจจัยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลาย นันขอใหยท่านทั้งหลายจงศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อแทงตลอดในเรื่องตัดใจทุกคนทุกท่านเถิดการศึกษาพระไตรปิฎกปรมาจา ร, รย์วันที่10เดือนก ร, รกฎาคมพุทธศักราช สองพันห้าร้อยสี่ิบสองวัดพันเตาเอกสารมียัง2นะครับปัจจัย24นะฮะพระบาลีอุเทศและคำแปลมปันแปลว่าไงครับบาลีอุเทศก็คือหัวข้ อ, บ, อบาลีก็คือเป็นพุทธพจน์ คำแปลก็จากภาษาบาลีและภาษาไทยครับหัวข้อปัจจัย24นะครับเริ่มเริ่มอ่านพร้อมๆกันนะครับหนึ่งเหตุปัจจโยทมที่ช่วยอุ ป, ปการะโดยความเป็นเหตุ 2. อารมณะปัจจโยทมที่ช่วยอุ ป, ปการะโดยความเป็นอารมณ์ 3. อธิปฏิปัจจโย ทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอธิบดี 4. อนันตรยะปัจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างขัน้นหสมนันตะปัจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นทีเดียว 6. สหาชาตาปัจโย ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดพร้อมกัน 7. อัญญมัญญปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความอาศัยกันและกัน 8. นิสัยปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัย 9. อุปนิสัยปัจจโย ทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัยที่มีกำลังมาก 10. ปุเรชาตปาเตโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดก่อนสิอปัจฉาชาตปาเตโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดที่หลัง 12. อ, อาเสวนาปาเตโย ทำที่ช่วย อ, อุปการะโดยความเสพบ่อยๆสิบสามกัมมะปัจจโยทำที่ช่วย อ, อุปการะโดยความปรุงแต่งเพื่อให้กิจต่างๆสำเร็จลง 14. วิปากาปจจโยทำที่ช่วย อ, อุปการะโดยความเป็นวิบากคือถึงความสุขและหมดกำลังลงสิห้า อาหารปาเจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้นําอินทรยาปาเจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ปกครองชาญปเัเจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้เพ่งอารมณ์ทิแปดมัคคปาเจโย ทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นหนทาง19สัมปัตยุทธ์ฆทวที19สำปัยุทธปัาจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ประกอบ20วิปัตยุทธปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ไม่ประกอบ21อัตติปัาจโย ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ยมีอยู่ยี่สิบสองนัตถิปัจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้มไม่มียี่สิบสามวิคตะปัจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ปราศจากไปยี่สิบสี่อวิตคตะปัจโยธรรมที่ช่วยอุปการะ โดยความเป็นผู้ยังไม่ปราศจากไปจบแล้วครับนี่นี่สวดศพจบครับวังตรง้ายเนี่ยปฏิโยปฏิโยละฮะงานสวดศพาตามาแล้วเตรียมรับซองเลยนะม <laughs> ันเตรียมริงข้าวต้มได้แล้วตอนนี้นน <c oughs> ทําจริงน่าจะสวดให้มีทํานองหน่อยนะ นั่นไม่นานๆเข้าเดี๋ยวก็เข้ากันเองอ่ะเป็ครั้งแรกการเรียนปัจจัยยี่สิบสี่ในคัมภีร์ปัฐฐานนั้นมีการเรียนหลายแบบการเรียนแบบคัมภีร์นี่เรียกว่าแบบเต็มแบบภาคพิสดารถ้าเรียนแบบภาคพิสดารนั้นนักศึกษาจะต้องจําหัวข้อเรียกว่าอุเทศปัจจัยยี่สิบสี่ได้ แล้วก็สิ่งที่จะต้องจําอีกก็คือนิเทศคำแปลนิเทศก็คือคําอธิบายที่พิสดารอย่างเช่นนะอุเทศคือเหตุปัจโยอันนี้เป็นหัวข้อนิเทศก็คือเหตุตูเหตุูสัมปยุตการางังธรรมานางังตังสมุทานานังจารูปา น, นางังเหตุปจจนะูปัจเยนะปัจโยคําแปลคําอธิบายและองค์ทำให้ได้ นี้รียกว่าเรียนนี้เทศเสร็จแล้วในเหตุตุป จ, จโยนั้นเข้ากันได้กับปีกี่ปัจจัยเข้ากับปัจจัยใดได้บ้างเขาเรียกว่าต้องรู้โดยสภาะะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะเล่าให้ฟังเมื่อจำไม่ได้ไม่เป็นไรทีนี้พอจบเรื่องสภาะะแล้วก็ต้องศึกษาคัตนาปัจจัยสงเคราะห์ว่าได้ได้ปัจจัยสงเคราะห์เท่าไหร่อย่างเช่น กุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลเนี่ยในเหตุุปัจจัยได้ปัจจัยสงเคราะห์กี่หมดและอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเรียนสังขยาวาระเห็นไหมในห น, น, น้าแรกเลยนะหน้าแรกเห็นว่าสังขยาวาระเรียกหรือปัญหาวาระวิธังในขวามือเนี่ยมีคําว่าสังขยายยอะสังขยายแปลว่าการนับสังขยาแปลว่าการนับในปัจจัยยี่สิบสี่นั้นถ้าขยายเป็นปัจจัยโดยพิศดารยี่สิบ กลายเป็น52ปัจจัยจาก24เป็น52ปัจจัยหลักๆเนี่ยอย่างเช่นอธิปฏิปัจจัยเนี่ยแบ่งออกเป็น3ปัจจัยดรงผู้ที่จะศึกษาคมภีร์เหล่านี้โดยพิสดารจะต้องเข้าใจทั้งอุเทศนิเทศและก็ต้องปัญหาวาระวิพังสภาฆตนานั่นแหละของแต่ละปัจจัยแต่ละปัจจัยแต่ละปัจจัยทุกปัจจัย แล้วก็มีนัยยะแห่งการวินิจฉัยประมาณสี่สิบวิธีวินิจฉัยโดยนัยยะต่างๆอันนั้นเขาเรียกว่าเรียนแบบภาพพิศดานเลยซึ่งพื้นฐานของผู้ที่ศึกษ า, า, าพระภาพคัมภีร์เหล่านั้นเนี่ยก็ใจรักพอสมควรนะเนะกำไรมีทุนคือศรัทธานั่นแหละสติปัญญาไว้ว่ากันทีหลังนั่นแหละเพราะบางคนก็อาศัยว่าที่เรียนอยู่ได้เพราะตือ้อเอาไม่ใช่ว่าเรียนเก่งอะไรหรอก เรียนนานๆเข้าก็เรียกว่าผู้รู้เหมือนกันนั่นแหละก็ไม่มีใครรู้ยังไม่รู้อยู่คนเดียวก็เลยเรียกว่าผู้รู้ไปเลยอย่างเงี้ยจริงก็รู้เกือบพอๆกันนั่นแหละอืแต่ทีนี้ของเรานี่คงไม่เรียนแบบที่กล่าวไปเมื่อกี้เราจะเรียนแบบชาติเรียนแบบสรุปคือเรียนแบบขยายไม่พิสดารจนเกินไปแต่เรียนในลักษณะสงเคราะห์ยิ่งสงเคราะห์ในชีวิตได้ยิ่งยิ่งยิ่งชอบมากทีนี้ถ้าหากว่า เมื่อเราเรียนแบบสงเคราะห์จบเรียกว่ารู้จักโครงสร้างระดับหนึ่งแล้วก็สามารถดึงเอามาใช้ในชีวิตได้ระดับหนึ่งเสร็จแล้วถ้าหากว่าอยากจะเรียนโดยพิสดารแบบที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็ไว้คุยกันทีหลังนั่นเองะฉั้นตอนนี้เราก็มาทําความรู้จักปัจจัยทั้งยี่สิบสี่ปัจจัยก่อนตัวเลขในช่องตารางเออญี่ปุ่นครับ อยากาะแนะแนํากล่าวว่าประโยชน์ยังไงครับถ้าเาปัจจัยมาเรียนเนี่ยครับอยู่ดีถ้านทักชวนมาเรียนเรื่องปัจจัยตอนบ่ายเนี่ย <c oughs> ประโยชน์ของการเรียนปัจจัยนะที่จริงแล้วการศึกษาในพระพุทธศาสนาเนี่ยผู้ศาสนากล่าวธรรมะออกเป็นสองอย่างธรรมะสองอย่างคือหนึ่งสังคตาธรรมสองอสังคตาธรรม คำว่าสังคตธรรมแปลว่าธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งธรรมะใดที่มีปัจจัยปรุงแต่งธรรมะนั้นเรียกว่าสังคตธรรมสภาวะใดที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งอันนั้นเรียกว่าอสังคตธรรมอย่างเช่นจิตถ้าพูดถึงจิตนะธรรมชาติที่รู้อารมณ์สภาพจิตนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งไหม ถูกเนะาะจิตนี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยที่ปรุงให้จิตหรือมาปรุงจิตเนี่ยอะไรบ้างเอาจิตไหนก่อว่าถ้าหากว่าที่ที่ริงถ้ายอมจะถามอย่างงี้นะบอกว่าปัจจัยที่มาปรุงแต่งจิตเนี่ยปัจจัยเท่าไหร่ยมก็ต้องบอกว่าท่านถามว่าจิตดวงไหนเห็นไหมตั้งฉลาดถามเลยจิตดวงไหนอะถ้าถ้าจิตดวงที่หนึ่งเลยจิตดวงที่หนึ่งคือ แ น, น่ๆนะถ้าตั้งโลภะทั้งหนึ่งโน้นก็ต้องเป็นโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเอายกตัวอย่างโลภะมูลจิตคําว่าจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ถูกปัจจัย ป, ปรุงแต่งและจิตเนี่ยเป็นลักษณะของเขาคือรู้อารมณ์โลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยมีปัจจัยปรุงแต่งอะไรบ้างที่เป็นปันจจัยปรุงแต่งให้โลภะเกิดอะไรบ้างที่ปรุงแต่งให้โลภะเกิดสิ่งนั้นแหละเรียกว่าปัจจัย ถ้าไม่มีปัจจัยจิตดวงนี้จะไม่มีเลยจิตดวงนี้จะไม่มีองก น, น, นะหรือถ้าไม่มีปัจจัยนะธรรมาจะไม่คิดอย่างนี้เลยหรือถ้าไม่มีปัจจัยการเห็นจะไม่เกิดเลยแต่ที่นี้เมื่อเราเรียนอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าปัจจัยของโลภะยกตัวอย่าง